ถ้าไปหวานใส่ป่าใส่ดงไปหวานใส่พลานหินข้าวมันก็ไม่งอกไม่งามต้องหวานลงไปเนื้อนาคือศรัทธามีความเพียรมาหน้าฝนชุ่มฉ่าอยู่เสมอข้าวปลูกพันดินดีหวานลงไปเกิดมักเกิดผลเต็มมัก เต็มหน่วยเต็มมากเต็มผลแล้วก็อาศัยการดูแล <c oughs> การพวนดินใส่ปุ๋ยคือสมาธิคือปัญญาอ่าอ่อนแอสมาธิหมายถึงคันธาตุคันไถสามารถพลิกอย้าลงไปเก็บไว้ใต้ดิน ยาก็จะเกิดปุ๋ยสมาธิยากอยู่ตรงไหนทุกอยู่ตรงไหนพิษมันลงไปออลำบากเป็นยังไงพิษมันลงไปอันทวันนี้ชาวนาเขาก่อนได้จะปลูกข้าวเขาหวานถั่วเห็นไหมทางไปแจ้งครอถั่วเขียวเต็มทุ่งนะอ๋อถั่วงาม เียวแล้วเขาก็ถอยพริกถั่วลงไปต้นถั่วลงไปใต้ดินถั่วก็ไปเป็นปุ๋ยหวานข้าวลงไปข้าวก็งามนาดหลงไหนแปลงใดที่วานถั่วลงไปก่อนหาเม็ด ร, รีบไม่ค่อยมีได <c oughs> ้ผลเคยไปดูที่กุฎชุม จังหวัด จ, จะโสอรที่นั่นเขารับผิดชอบผลิดข้าวคุณภาพสูงคนให้บริโภคมีโรงสีด้วยเขารับผิดชอบเขาผิดข้าวไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่สารเคมีเขารับผิดชอบไปกินก็แซบ่บ <c oughs> ไปชิมข้ากคุตชมแล้วมาชิมข้าวบ้านเรานะ่ยต่างกันมากไปขันใดก็ดีการปฏิบัติพิคสิ่งไหนที่มันไม่ดีให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันสมกับชื่อว่าปฏิบัติปฏิกับพิกความล่ายเป็นความดีพิคอะไรที่มันไม่ดีลงไปเปลี่ยนหน้าใหม่ แล้วมันก็เปลี่ยนได้ชีวิตเราไม่ใช่ทำไม่ได้ถึงเขาอดก็อดถึงเขาทนก็ทนมีความทนก็ถือว่าขันติบารมีการสร้างบารมีความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมีความอดทนก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญา ถ้าขาดความอดทนเช่นหน่อยแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสู้งานสู้การสู้การปฏิบัติทอลังคนพายเรือข้ามฝากต้องทอต้องพายไปยนั่นนะแต่ไปเจอแปลวน้าไปเจอคลื่นก็ต้องมีจังหวะงัดท้ายให้ดีๆตั้งหางเสือให้ดีๆ เพื่อจะไม่ตกต่ําลงแปการสอนตัวเองก็เหมือนกันทั้งเขาทนก็ทนทั้งเขาอดก็อดทั้งเขายากก็ายากทั้งเขาง่ายก็ง่ายเขาสุขก็สุขทั้งเขาทุกข์ก็ทุกข์สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราได้ลุยมันแต่ชีวิตเราไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ชีวิตจริง ชีวจริงมันต้องผ่านแล้วการศึกษาเนี่ยจะศึกษาอะไรก็ตามถือว่าศึกษาเนี่ยต้องรู้ต้องรู้บุญลูกคุณบุญคุณที่เราควรจะรู้คือครูอาจารย์บิดามารดาใครจะรู้อะไรก็ตามถ้าไม่รู้บุญลูกคุณเรื่องแน่นะถือว่าไม่ใช่การศึกษา เห็นพอเราปฏิบัติไปพอเราปฏิบัติไปเห็นทุกข์เห็นความยากลำบากก็ไปคิดถึงข้อทั้งแม่โอ้ควาตาล่วงเลยพอพอรู้จากรูปรู้จากนามคิดถึงหลวงปู่เทียนขอหลวงปู่เทียนนะไรมาสอนฉลาดน้องหลวงปู่เทียนสอนให้คนรู้ตัวเอง ก็มีศีลมีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาคิดลักพระพุทธเจา้าลกอกก็รลก ร, รลรอกก็สงกรูปลอกศาสตนะมันไปทางนี้นะการปฏิบัติธรรมมองไปเป็นกระแสไปเลยเห็นจงป o เห็นพ่อเห็นแม่นะ จะได้เลยพ่อตายไปก่อนถ้าพ่อแม่ตายจะไปสนพ่อหรือแต่แม่แอก็ไปสอนแม่จริงๆผงมาอเทียนก็บอกหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนหลวงปู่จะใช่อะไรผมหลวงพ่อมีสิทธิใช้ได้อย่างเต็มที่อ่าบอกหลวงปู่เทียน แต่วนันเน่ก็ยังทํางานเป็นที่หลวงปู่เทียนบอกถ้าทําอย่างนี้มันเป็นความจริงปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นจริงก็ไปสอนคนอื่นให้เขารู้เหมือนกับเรารู้ตรงนี้แหละสำคัญแตใครไม่รู้สอนให้เขารู้นะ่ะเป็นบุญมหาศาลบางที่โกรธไปสอนน่ะเขาหายโกรธคนที่ทุกไปสอนน่ะเขาหายทุกเนะ่ะหน้าที่เราต้องทำวันนี้ ต้องขนส่งต้องขนส่งแต่ว่างานของเราเราจึงต้องปฏิบัติอย่าไปลีลรอรออย่าไปมองนอกตัวอ น, นุตเป็นนี่อ น, นี่เป็นอย่างโน้น น, นั้นก็ไปดีอันนี้มันดีฉันชอบอย่างนั้นฉันไม่ชอบอย่างนี้อย่าไปมองแบบนั้นจริงแล้วนี่อย่าให้มันขวางกัน้นมีสตใจลงไปอะไรก็ตามเข้าข้างความรู้สึกตัวฝึกตนบัณฑิตต้องฝึกตนช่างถากก็ยอมถากตรงไหนที่มันคดมันงอดัดลงไปให้มันตรง ช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรให้มันตรงบัณฑิตก็เพียรพยายามฝึกตัวเองถ้าไม่ฝึกตัวเองไม่ใช่ว่าบัณฑิตจะจบปิญญามาขนาดไหนก็ไม่ใช่ว่าบัณฑิตบัณฑิตคือฝึกตนมองตนเหมือนกับส่องเอาในกระจกถ้าใครรู้จักโทษตัวเองนะดีมาก อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งอื่นแม่นคนอื่นตําหนี้เราเราก็มองเรามองเรเป็นเหมือนเขาว่าไหมมองหาคนคขวงหาโอ้ยไม่มีนะไม่เหมือนเขาว่านะเอ๊ไม่เห็นมีตรงไหนนะ ก็สงสารคนที่เขาว่าโอ้เขาไม่รู้เนอะเขาจึงพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้โกรธเขาเลยเขาไม่รู้เขาจึงพูดคนไม่รู้เนี่ยทำอะไรก็เป็นคนที่น่าให้อภัยแต่มองเราเห็นว่ามันผิดขาดตกบกพร่องมองอูาโอ้เห็นโอ้ยขอบคุณเขาขอบคุณเขา ผู้ใดขี้โทษแล้วผู้ใดขนาบแล้วขนาบอีกขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดโอ้ยผู้นั่นคือผู้ขี้ขมซ้พให้เราเหมือนพระพุทธเจ้ากล่าวกับหมูเหล่าภาษาพวกทั้งหลายว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุด เราจะทํากับพวกเธออย่างไม่ทะนุถนอมเหมือนช่างหม้อที่ทากับหม้อยังเปียกยังติดอยู่นี่ผู้ใดมีเกลนก็ทนอยู่ได้ผู้ใดไม่มีเกล็ดก็ไปพระเจ้าว่าไงโอ้ลึกซึ้งมากมันก็มีเกล็ดเหมือนกันหน้าคนเรานะอย่ามีแต่มอกมันไม่ทนมอกมัไม่ทน อะไรไม่แก่นจึงจะทนอยู่ได้โยโสโยสาโลโสทัศตินี่ใครหานี่ใครหาหงอาดันทาาา้าววขาหมไปไปหาไปไปหังอดันท้าววขามิหโยสาโลโสทัศติถ้าเป็นบาลีเขาก็พอนะเลยพวกเรา ผมก็ไปนหน้าหนาวเมื่อคืนไปนอนน้าหนาวไปดูผู้คนไปดูภูไม่ประเทศเขาไปดูพระสงฆ์ไปดูความยากลำบากก็เลยเห็นอะไรอะไรมันก็ไปเหมือนสุกตูบางอย่างก็เหมือนกัน เข า, เากดขัดขาดกลางกลางให้นอนแต่เราก็ไม่กดไม่มุ่งถือไปด้วยเห็นกดเขาขาดเห็นเลยรเขาก็เลยไม่เอากลับมาเลยมอบให้พระเทนันใช่เลยเออบางทีมันก็เห็นดกเห็นใจเห็นดกเห็นใจ น้ำก็ไม่มีอาบห ก, กันกับพวกเราบางครั้งพระทราก็จะไปตักน้ามาให้อาบ oh. บอกล้วไม่แล้วไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมจะช่วยตัวเองขอให้ผมเลยช่วยตัวเองเ้าก็ขยันกยอยเด้อผมจะไปทำให้เ้าก็ยอะขอขอขออย่าไปคือเรามองเห็นมองเห็นตรงไหนห่ะมองเห็นน้าที่เขาเอาทาเป็นอ่างไว้บันได แต่ว่าไม่ใช่อ่างเล่นน้อยนะอ่างใหญ่พอสมควรสักสองสามเมตรนั่นแหละมันใสสําหรับขอล่างเท่าลหรสังเกตดูแต่ว่าโดน้ำแล้วมันใสขวาน้ําวัดป่าสุกโตนะก็มองเห็นเท่น่ะนะไปไปไปคนกลับไปคนกลับไปหลวงพ่อจะช่วยตัวเองเราไล่เขากลับไปแล้วก็ถือโอกาสอาบน้าใต้บันไดเลยโอ้ดีมากเลยนะสบายเลย คนไปเห็นอ้าวพระผิบ้าโอ้ก็อาบน้ําล้างขาเขาเนี่ยไปแต่มันสะอาดนะก็ไม่ใช่บาตยังรู้จักอาบน้ําดีกว่าไม่อาบแต่ไปตักไม่รู้จะไปตักตรงไห น, นมันขมมันมืดวัดเขาก็เป็นป่าเป็นตรงไม่เก้งมีกวางโอ้ดีมนกันะจะจะมาเปรียบเทียบกับวัดบ้านเราก็เออยัง พอพอบานทีก็อย่างกติคนไฟวันเนี่ย mm. ก็ไม่เคยดูแลตรงนั้นเลยเม็น mm. ถึงเลยอ๋อไภวันไปพักอยู่ตรงนั้นโอ้ยอายเขาเลยหลวงพอ่อพ่อไปดูเนี่ยเม้นไปทั้งห้องทั้งกติเลยน้ำเพเปิดออกมาขังไว้เป็นคำเหลี่ยมหยากหยาเรียกว่าสีใดสีใด ล่างก็ไม่ออกประทุสำนักปฏิบัติธรรมสุขโตเนี่ยปานนี้น่ต้องขออภัยบางครั้งก็ดูแลไม่ทั่วถึงมีอะไรก็บอกกันแจ้ปัญหาบอกกันถ้าไม่บอกก็ไม่รู้พร้อมที่จะช่วยอยู่เจ้าหน้าที่น้ำคือจานนวนและทุกท่านนั่นแหละ อถ้ามันหน้าไม่เปก็บอกมีเจ้าอธิการเจ้าอธิการคลังเจ้าอธิการคลังเจ้าอธิการเสนาชนะเจ้าอธิการอาหารเจ้าอธิการเสนาสนะอาจจะเป็นทันสุลินเนาะถือกุญแจแจกกติให้อาคันตุกะที่มาพักเจ้าอธิการอาหารก็จะเป็นแม่ขีเจ้าอธิการคลัง ปาไตยาปัจจุบันใจอาจจะเป็นอาจารย์ตุ้มไปทางโ น, น้นั้นะถ้ากติมันลวกปิดไปได้กุญแจเป็นยังไงบอกเจ้าอาธิการอาธิการใครละ่ะมีิกันนะมีพระอานต์ประกาศให้สงสารว่าถ้ากติใครลว หลังคาล่วหน้าต่างประตูเปิดปิดไม่ได้ก็ ก, กรุณาบอกพานนพานนจะยินดีไปทำให้ให้วันกันสมัยก่อนซ่อมแซมเสนาสนะรับธุระหน้าที่เรียกกิตสงผู้เอากิจเอาการเอางานของสงจิตของผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เอางานเอาการช่วยคนอื่นเขากะตือเรื่อนเรื่องนี้ใช่ไมก่อนบางทีเจ้าธิการย่อมผ้าจันตุ่มทำลงย่อมไหมจะไหมก่อนก็มีพระอนุรุท ธ, ธะผ้าเจวอนใครจะซักจะย่อมก็บอกพระอนุรุท ธ, ธะ อ ร, รุธาเนี่ยคฟันเจนขนุนฟันเจนเปลือกเคงเปลือกเมียเปลือก อ, อไฟันต้มเจนขนุ น, นฟันแหลกๆลก็มาต้มต้มเคียวเคียวเอาน้ำตแกนขนุนสัก2กิโลเอาน้ใส่เครื่องปิ๊บ ต้มต้มจะมันแห้งเหลือแต่เหลือแต่แตะกอนเหลือแต่เอาไปกองเหลือแต่แตะกรนส้เหลืองเหลืองเราเอาไปย้อมพว่จะได้สีไปย้อมผ้านะอนุรธาต้องฟันปืนต้องต้มลงย้อมต้องเปืยกายได้ไม่ต้องห่มจีวรมันร้น ย่อมผ้าให้องนั่นย่อมผ้าให้องนี้แต่ไม่ก่อนผ้าขาดก็ต้องสอยต้องแสวสอยไม่มีจักเก็บเหมือนทุกวั น, นทุกวันนี้ไม่ได้ย้อมเลยผ้าไม่ได้ย้อมเลยสีมาตรฐานเสื้อมาตั้งแต่เสื้อจนขาดไม่ต้องย้อมเลยแต่ว่าผ้าวางสกุลแล่เนี่ยก็ยังมีคนใช้ผ้าย้อมอยู่เขาไม่ใช่ผ้าวางสกุล ถ้าเป็นผ้ามัดตัดจีวรเขาก็ผ้าขาวมัดตัดแล้วก็ก็ยอมเดือนละครั้งสองเดือนครั้งก็เพิ่งไม่ได้ยอมผ้าเพียงยี่สิบปีมานี่แหละแต่ยี่สิบปีก่อนตงก็ยอมเหมือนกันสมัยก่อนไม่เจริญ <c oughs> เปือกเข็งสมัยก่อนนิยมสีหลังตะขา สีหลังตะขาบสมัยก่อนลูกศิษย์หลวงปู่เทียนเจ้าในจังหวัดเลยผ้านุ่งพ้าสีหลังตะขาบต่อมาต่อมาประชุมกันใหม่สีแขนขนุนมาแล้วแกนขนุนมานะนนนมหาง่ายเขาผิดไม่ต้องย่องเขาผิดมาเขาถวายเยอะเขาถวายเยอะเอาไปมาก็ เอาได้หน่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีแก่นแก่นขนุนแต่ก่อนก็สีหลังตะขาบสีแดงแดงเข้มเข้มแค่ <c oughs> น, นี้ไม่ต้องยอมสีแก่นขนุนต้องเอาเปลือกเข็งเปลือกเข็งต้มดีๆใส่ใบขามใส่สารส้มย้อมในไว้เม่เจ้าที่การ อันก็ตามทำเวไนยก็คือคิดช่วยเหลือกันนั่นแหละช่วยกันช่วยกันพวกเราในวันพวกนี้จะมีนักเรียนมาสองสามร้อยคนจันพระเทพก็ไม่อยู่จันทรงศิลก็ไม่ดูเดี๋ยวถ้าพวกเราจารันทุ่มให้ใครเป็นวิทยากรของในอบรมนักเรียนสามวันนี่ เต็มเลยละนักเรียนวัดภูเขาทองก็เต็มสุขโตก็เต็มสองพ่อไม่รู้จะไปทางไหนกันแน่ภูเขาทองก็ในม์ไปสุขโตก็ในมตฑสอนเอาที่นี่ก่อนละพวกเนีนะช่วยกันพวกเราดูน้ำดูไปตื่นก่อนนอนหลังเขาเวลาเขาใช้ห้องน้าม้องซ่วม พอเขาออกไปแล้วเราต้องเข้าไปดูอีกทีนึงมันปิดหน้าไหมปิดไฟไหมหเขานอนแล้วค่อยไปดูค่อยนอนพวกเรา <c oughs> ถ้าไปนอนก่อนเขาเนี่ยบุกคลองหน้าไหลตลอดคืน <c oughs> เปิด <c oughs> ไฟจ้าตลอดคืน <c oughs> แล้วก็เส้นเปลืองพลังงานน้า ม, มันก็แพง <c oughs> อาไป้าก็สูงขึ้นเมื่อ <c oughs> <c oughs> มาว่านี่หลวงพอ่อลดน้ำต้นไม้ที่สาราหน้าไิโยมมาทำไมหลวงพอ่อทำไมไม่ใช่สเปงเกอรเ์เดี๋ยวเดียวประหยัดซชหน่อยถ้าใช้สเปงเกอร์มันต้องเสียค่าไฟเขาหวัวเลาะเก็ว่าเล่นไปเฉยๆอะไรก็แพงหมดแล้วทุกวันน้ำมันก็ขึ้นแต่พึ่ตาือ ใช่ไรก็สำรวมพวกเราอย่าพุ่งเพิ่พุงพ่วยนอนให้อิม่มกินให้อิม่มอย่างอื่นเอาไว้อย่าพุงเพิ่มพุงพวยใช้ไฟใช้น้ำํำรู้จักสำรวมวระมัดระวังใช้ปัจจัยสี่ทำมีตามได้อย่าเห็นแก่าปากแก่ท้องอย่าเบื่อหน่ายต่อคําสั่งสอนที่เกียจทําตาม อย่าเทย์เย่ทยานยากในกรรมมคุณถ้าใครหลงอยู่เสียภาพเช่นนั้นนะไม่เจริญตกเป็นทาสของเสียงเหล่านั้นสู้ในโลกนี่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวมันต้องสู้แต่ต้องสู้จริงกริงโลกทุกคนนะมันแสบเผ็ดถ้าใครไม่ เก่งก็อยู่ลำบากถูกโรคทับถมได้ง่ายฝึกเอาไว้วิทยายุทธพวกเราถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีคุณภาพอะไรๆก็ตามก่อนที่จะมีคุณภาพต้องฝึกซ้อมตัวเองซ้อมกายซ้อมใจปรับกายปรับใจโดยเพราะการวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ ที่ลุยพอสมควรพอทำปรับก็ ง, วง่วงเอาหอนอนยากปวดหลังปวดเอวมื่อยล่ะบาที่อยู่ดีๆพอทำลงไปก็ครืเครียดคิดมากคุ้งปเลยนั่นแหละเขาให้เราฝึกมันมันเกิดเพื่อเพื่อให้เราฝึกเราจะหลุดไปตามมันง่ายๆเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรา แล้วก็ได้สอนตัวเรานะวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่สอนตัวเรามันมาโผล่มาแย่ใดมุมใดเพียนพยายามรู้พอทนก็ทนแต่มันปวดมันเมื่อยก็ทนสักน้อยแต่มันคิดอะไรมากก็ยุดมันสักน้อยแต่มันเบื่อก็เปลี่ยนความเบื่อเป็นความปกติมันมาให้เราเปลี่ยน มันเป็นงานเป็นการเหมือนเราฝึกวัวฝึกค่ายเทียมธาดเทียมไทยแต่ว่าวางตัวควายบางตัวนี่ยไม่เอางานเอางานก็เขาก็เอาแอกเอาท่อนไม้เอาท่อนไม้ผูกเชือกแล้วก็ไปผูกคอมันให้มันลากท่อนไม้ไปกินหญ้าทั้งวัน ลากไปตามโคกตามป่าบายจินยาไป ล, ลากไปนั้นตอนเย็นก็ลากมาเข้ า, ขาโอกโคกติดคอมอยู่นั้นสองวันสามวันเออไปมามันก็รู้จักเอางานเอาคานแต่พอทำใหม่มจับใส่ล่อใส่เกลียนมันนอนไม่เอาเลยพยุศไม่เอานอนไต้ก็ไม่ไปอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปบังคับมันเอา ถอนไม้มาผูกเชือกติดคอมันไว้เดี๋ยวมันก็ลุกไปขอมันเองแต่บางครัลุกไปอย่างเก่งให้มันลากถอนไม้อยู่สามวันสี่วันเอาไปมาพอเอาไใส่ลอใส่เกีนก็นก็ดันไปได้แบบนะ้น้ดยจากดัดโดยจากโซ่ไปเขนเขาฝึกมากพยศอยู่ที่ประเทศพมา่าแตาว่าตัวไหนมันพยศมากเขาก็มีอย่าง สนามฝึกม้าเขาเนี่สุดช่วงหูสุดตาเขามีประตูเดียวมีที่พักพวกฝึกมาก้าทั้งร้ายก็ไปนั่งอยู่ประตูก็ ข, ข, ขับฝึกขี่ได้ก็ขี่ไปตัวไหนที่มันพย์ก็ก็มีรถย่างเป็นอย่างล่อแบบอย่างก็ช่วยกันจับล็อกมัดใส่คอมันม้าก็พาววิ่งเวนะ่งไม่หลุดเลยนะ กระโรดโล ด, โลดเต้นขนะดไหนล่ออย่างก็ไม่หลุดจากคอมันเวิรงไ ป, ไปจนมองไม่เห็นมนไกลลิปสนามฝึกมากหนึ่งวันสองวันมันก็กลับมาเลยเดินพาลอดเดินต่อยต่อยตอย่ต อ, ยต อ, ยตอยมาเจ้าของก็ไปจับเอาแล้วก็ฝึกแบบนั้นก็แ <c oughs> บบพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสารถีฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า ฝึกผู้คนพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมอนุตตะสมัสสะอนุตตะุริสสะธรรมสาละถิสัทธาเทวะมนุษสันังพุทโธภวาติเป็นผู้ฝึกปรุษสารถิฝึกปรุษไม่มีใครยิ่งกว่าพวกเราเนี่ยก็มาให้พระพุทธเจ้าฝึกให้ได้นิสัยห <c oughs> ังผันเตนิสัยอย่งยางใจไม่ขอเน็รดใส่ตั้งแต่วันเราบวช สุที่ัเป็หังคนเตนิสเองอยากจะมีตาที่อันเปนหั่งคนเตนิสเองจะไม่าพระเจ้าจะข อ, อนิสายจะหัดนิดสายตามพระพุตรเจ้าตามพระธรรมวินยัยแก็เป็นภาระเอาภาระต่อกันเลยกันภาระของเราก็ต้องศึกษาภาระของ ผู้ที่จะพอบอกสอนก็ต้องบอกต้องสอนต้องเอากันอย่าปล่อยกันทิ้งช่วยกันปลกกันลุกขึ้นมาทำวัดทำว่าไปจินไปฉันเ อ, อทำวัดเวลานั่นเน อ, อไปฉันเวลานั่นไปเป็นทบาทเวลานั่นเอากันมีพี่เลี้ยง <c oughs> มีพี่เลี้ยงส <c oughs> มไยหลวงพ่อไปปฏิบัต มีผู้เท่าอายุแปดสิบปีเป็นพี่เลี่ยงชวนวะไปโน่นห้องกินเขาแล้วไปเข้าไปในป่าบนห้องเราก็อยู่เส้นทางหนึ่งเราก็นั่งอยู่เส้นทางเดินอยู่เส้นทางหนึ่งใกล้ๆกันพอดีเดินเหนื่อยเราก็มานั่งนั่งเราหลวงพ่อก็เคยฝึกสมาธินั่งนิ่งนิ่ง กับตามันเคยคินแบบนั้นพอนั่งสงบอยู่พ่อใหญ่ก็มามายืนบอกอย่านั่งอยู่สงบไหมยกมือสั่งจใจวะน่ะสั่งสติเอันนั่งสงบมันบรไดตสติด้ยกมือสั่งใจะวะคือหลวงพเทียนสอนกับ่็ยกมือสั่งจใจวะเวลาใดที่นั่งอยู่นิ่งๆพ่อใหญ่จะมาบอกบริสติบริสติบริสต พึกอันนี้ก็ออันนั้นเอาไ้จะกอนโอ้ยถ้าพ่อมีพ่อใหญ่เมาเนี่ยก็คงใช้เวลาเยอะกันสู้กันพ่อใหญ่เมาก็พอสอนเป็นพี่เลี้ยงยังเห็นบุญเห็นคุณแต่ว่าท่านเสียชีวิตแล้วก็เลยเอาศพไปเมอไปลงพยบานขอนแก่นพากันไปสามารถอาสมัย ปีทางวัดโมกใ ห, ใหม่ๆปีห้ารอยสิบสี่ก็เลยเอาศพไปมอบให้โรงพยาบาลชวนพ่อใหญ่เมาชวนพ่อใหญ่เมาไปเคระะเมาก็มอบศพเหมือนกันพอตายแล้วก็เอาศพพ่อใหญ่เมาไปลงพยาบาลคนเศรษฐีบ้านเศรษฐีบา้บานไหว้วันไฟพ่อใหญ่เมานะ โอ้ยยังเคารพท่านแม่แต่ได้ยินชื่อก็ยังเคารพท่านอยู่เห็นบุญเห็นคนท่านมาบอกมาสอนเวลาใดที่นั่งหลับตาไม่สร้างจังหวะนั่งสงบท่านจะมาบอกทันทีสมัยหนึ่งก็แต่ก่อนเราก็เป็นเป็นหมอเขียนยันสักให้คนเขียนยันเนี่ยเอาขนาดไหนงามเลย แล้วก็สักเป็นรูปยันต่างๆกลัวว่ามันจะลืมก็เลยเอาปากกามาเขียนยันเขียนสวยพอดีพ่อใหญ่เมาเดินมาเฮ็ดทั้งลานนะหลวงพ่อก็ยกกระดาษที่เขียนยันยื่นให้พ่อใหญ่เมา ด, ดูว่าจะอวดพ่อใหญ่เมาพ่อใหญ่เมาจับได้ย่ำๆไปเลย ให้ดูให้จักหน่อยเลยเอาไว้เอาไว้เอามาประกากระดาษกระบอกแล้วกระหลกข้อเขียนยันสองสามสองสามภาพเขียนใส่กระดาษว่าจะอวดพอยเมาพ่อยเมาไม่ดูเลยกำยองไปเลยโอ้แล้วว่าจะอวดพ่อยเมาพ่อยเมายองมุดตลอดเมื่อคิดดูทุกวันนี่โอ้ยเรากลัวนึกว่าเราฉลาดทีแท้เรามันโง่ เรเห็นพ่อใหญ่เมาขยิบลายยันของเราที่อุตสายเขียนอย่างเด่ mm hmm. นมันเป็นอย่างนั้นพ่อใหญ่เมาเลยเอ้าช่วยเราเราจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนไปทําอย่างนั้นนะบางที่เราอาจจะไม่พอใจบังคับกันเกินไปไม่รู้อะเป็นยังไงพ่อใหญ่เนี่ยคิดไปแบบต่างๆนานาเราก็ ทวนกระแสทวนกระแสยอมรับครึ่งหนึ่งไม่ยอมรับครึ่งหนึ่งแต่หัดหัดตัวเองเราก็ดันว่าเราทําถูกเราเคยทําแบบนี้พ่อใหญ่เมาดึงเราไปแบบนั้นโอ้สวอาวกันอยู่นอยู่ด้วยกันจํนาพรรษาจะเป็นเพื่อนกันจริงเกงกับพ่อใหญ่เมา ตอนอายุเกจิสิบแปดสิปีเราตอนนั้นอายุสามสิบปีกินข้าวด้วยกันเวลาฉันข้าวพระฉันเสร็จแล้วพระฉันเสร็จแล้วเขาก็รวมอาหารใส่ภาไว้ให้เราแม่คีรวมอาหารจากพระจากแก้วจากแม่คี้บ้างใส่้าไว้เอาของคว่ำไว้แล้วก็ตีละคังแบงแบงแบงแบงแ แล้วก็พ่อใหญ่เมาวก็ไปเรียกเราไปไปบานตีแเราครั้งแล้วบางทีไม่คีก็นั่งเฝ้าไว้เดี๋ยวแมวหมามันจะขึ้นไปกินข้าวก่อนไม่คีก็ขวดไต้ถุนสลาเล่นรอเราอยู่พอเราขึ้นไปสลายแม่คีก็กลับกับที่พักแล้วก็ไปทานอาหารกับพ่อใหญ่เมาวสองคนทานแล้วพ่อใหญ่เมาวก็ร่างถ้วยล่างชาม บอกไปล่างคอยเมาก็ยังล่างช่วยกันนะนะช่วยกันช่วยกันช่วยกันล่างถ้วยล่างชามเจ็บไว้ไม่เหมือนกับพวกเราทุกวันเนี่นะจำได้ก่อนต้องฉันข้าวหลังพระเป็นเป็นโยมก็พุทธญาณ น, นะวัดป่าพุทธญาณเป็นวัดแรกที่หลวงปู่เทียนเริ่มเผยแผ่ธรรมะ โอ้ยเสียดายพุทธยานศูญหายไปแล้วเรายังมีอดีตล้ำลึกลึกๆอยู่พุทธยานภาพที่มันส ก, กิดหอยใจเราต้นขาขี้ผูเโดนจงกรมอยู่เท่นั้นกติหลังหนึ่งทางทิศเหนือกติหลังหนึ่งทางทิศตะวันตกประสบการณ์กับการปฏิบัติธรรม ชอบมากพุทธยานพุทธยานเขาก็เอาเป็นราชพัฒวิไลคูไปสมัยห้าร้อยสิบสามสิบปีห้าร้อยสิบสามสิบสี่สิบสี่เนี่ยเดินไปดูต้นขาชีหมูไม่เห็นเลยเขาไถเท่ง เ, เขาปลูกอาคารเรียนเต็มไปหมดเลยเห็นแต่แท่งน้ำที่สร้างไว้ กติจานสมหมายยังเขายังไม่ทำลายอันพวกเราเนี่ยมีอะไรที่จะไปลิขิตจิตใจเราบ้างหรือเปล่าที่อยู่สุขโตนะมันเปลี่ยนแปลงไหมทิเวศมันยากตรงไหนมันง่ายตรงไหนมันผิดถูกอย่างไรอดีตลํำลึกมันมีนะปฏิบัติธรรมเคยผิดเคยถูกมันลืมไม่เป็นมันเหตุจังๆกับ ต่อหนะ้าต่อตาเรานะปฏิบัติธรรมไม่ใช่คิดเห็นได้แก้วความทุกข์ได้แก้วความหลงแก้มิจฉาทิฐิให้เกิดสมา ธ, ธิิมันเป็นลอยหัวใจเรามันต้องเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมใจรุนรุ่ น, นเดาเราคำนึงคำนวณอย่าเพิ่งปฏิปฏิเสธทำอะไร ออไม่รู้ละไปอยู่แล้วเดือนสองเดือนไม่รู้อะไรก็อยากเพิ่งไปว่าบางทีเราทําวันนี่อาจจะรู้ข้างหน้าเหมือนคนไปหาหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลให้ยาไม่ชานอาทิตย์ที่หนึ่งมันจะหายอยู่แล้วกินยาโรงพยาบาลแล้วก็เนยจากโรงพยาบาลไปหาหมอน้ํามนเขาน้ํามนให้กินแปบ๊บเดียวหายเลย อนึกว่าตัวเองหายจากหมอนำมํำมนที่แท้เราไปกินย า, านโรงพยาบาลโรคบางอย่างตรงอาทิตย์สองอาทิตย์มันจึงหายการปฏิบัติธรรมก่อนๆมันเป็นโมรโโดกของเราตั้งแต่ปีกลายนี่แ ต, แต่เดือนก่อนโน้นมันมามันมาเกิดใ น, นสงวันนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้อาจจะไปอยู่บ้านก็ได้ แต่อย่าประมาทอย่าเนรคนุณความเพียรของเราเหมือนหมาป่าหมาป่ามันอยากกินลูกมะม่วงมะม่วงตวน้นมันบอนแล้วก็ไปนอนมันเคยไปกินทุกวนันมะม่วงมันหล่นลงมาแล้วก็ไปกินทุกวนันบรร น, นั่นไป เดี๋ยวออยู่วันหนึ่งไม่ได้โลดลงมาสักลูกเลยก็เลยก็เลยประกาศขึ้นว่ากูไม่อยากมังดกมมอกมะม่วงลูกกูก็ไม่อยากเมียกูก็ไม่อยากว่าแล้วมาหม า, มาป่าแล้วก็ขี้ทั้งเยี่ยวทั้งขีดลาดต้นมะม่วงไปสาบแซงต้นมะม่วงไปเลยมันโกรธว่าต้นมะม่วงไม่โลดให้มันจินทร ที่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้นมะม่วงมันหล่นมันเป็นธรรมชาติมันหล่นลงมามันก็ไม่ได้หล่นให้หมากินมันไม่หล่นมันก็ไม่ได้โกรธหมามันเป็นธรรมชาติของมันถ้าคราวมันหล่นก็หล่นลงมาหมาใจลูบหมาไม่ลูบก็หล่นของมันถ้าคราวมันไม่หล่นมันก็จะไม่ลูบหมามันโกรธอะไรมันไม่ลูบ บางที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจยาตีโพยตีพายน้อมๆใจเอาไว้เป็นบุญบุเพกะตะพนญาตาบุคคลผู้ทําบุญไว้ในปางก่อนมันมีบุญปางก่อนมันมีเมื่อวานก็มีปิกายนายก็มีความดีความชั่วมื่จะต่อมาต่อมา ความช่วก็มันกันแม้แต่น้อยก็จะประมาทความดีก็มันกันน้อยก็จะประมาทมันมีผ้นเอาะเอาล่ะลก็สมควรเจ้ิเวลากราบพระพ่อมกัน